สังคาทิเศษสิกขาบทที่สองเพราะบวชให้สตรีผู้เป็นโจรต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. จบยัตติต้องอาบัตทุกกฏ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตถุลจัย 3. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษ